ไม่เพียงราคาจะดับแต่กลับทวีขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าฉันขบฟันนิดหนึ่งลักษณะอันเป็นยางเหนียวหนืดเข้มข้นของราคาเป็นอย่างไรเพิ่งประจักษ์ในบัดนี้หลังจากที่เคยชินกับจิตอันผ่องแพ้วมาเนิ่นนานจึงได้ข้อเปรียบเทียบชัดรปล่ากับสองมือแห้งถูกกันสบายๆยอยู่ดีๆไม่ชอบกลับเอาไปจุ่มกาว